เฉยๆรูประเทศเราอย่างไรหมดเวลาอย่าติดติดชัวรรู้ก็เห็นเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ธรรมนธรรมานี่แหละช่วยให้เราพนเจอปับมถุกได้ในโลกนี้ชีวิตมันเต็มไปด้วยรับมุกขนะ่ไหนที่แหนก็ทุกข์กันไน้น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 กับการปฏิบัติก็ความทุกข์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมานะเราก็แสวงหาความสุขมาเรื่อยๆเราปรารถนาความสุขกับทุกคนในความสุขเหมือ น, นภาพลงตาเหมือนเหมือนจะได้มาแต่ก็หายไปเหมือนเราวิ่งไล่จับเงาไล่เท่าไหรเท่าไร่ก็ไม่เจอจับไม่ได้สันทีเหมือนอยู่ข้างหน้าอีกนิดเดียวก็ถึงแนละ้ว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 มีลูกล้วก็ต้องหวังอีกนะวลูกต้องเก่งๆลูกต้องฉลาดลูกต้องดีเกิดลูกมันไม่ดีลูกมันไม่เก่งลูกมันไม่ฉลาดกนะ็ทุกข์อีกแล้วเราแสวงหาไปเรื่อยๆนะจนเราแก่พอเราแกแ่แล้วเราก็เริ่มหวังออกวนะ่าวันไหนมันไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็ ค, ยคงจะมีความสุขเน่ความสุขเหมือนภาพดวงตานะฮามันตั้งแต่เด็กนะจนแก่แล้วแก่แล้วมันก็ทุกข์อีกนะร่างกาย ตัวผิดท่านิดเดียวก็ยอกแล้วไม่มีใครก็ททำอะไรเขาจะตายเองอยู่แล้วลำบากใครเคยไปตามโรงพยาบาลเคยเห็นคนเจ็บหนักๆไหมคนเจ็บหนักๆ น, นะทุรนทุรายบางคนอยากตายให้พน้นทุกคพน้นร้อนเห็นไหมสแสวงหาความสุขมาชั่วชีวิตนะสุดท้ายอยากตายให้มันพน้พนทุกคพน้นร้อนแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนอ่ะ หวังว่าตายแล้วคงจะมีความสุขนะเพราะว่าตามเจ็บหนั ก, นกๆไม่มีความสุขความสุขเนี่ยเป็นภาพลงตาอยู่ตลอดเวลาหลอกให้เราวิ่งหลอกให้เราแสวงหาอยู่ตลอดเวลาทําไมใจเราไม่เต็มอิ่มใจเราไม่รู้จักพอ <c oughs> ใจที่มันไม่อิ่มใจมันไม่พอแนละ้วมันก็วิ่งไปเรื่อยเหนื่อยนะถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นเลยจิตนี้มันทํางานทั้งวันจิตมันทํางานอยู่ทั้งคืนไม่เคยหยุดเลย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 ในความเป็นจริงแล้วมันทุกข์แต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่มองโลกแง่ร้ายถ้าพระพุทธเจ้าท่านจบคําสอนของท่านแค่ว่าโลกนี้เป็นทุกข์นี่ศนาะ ส, สนาพุทธก็เป็นศาสนามองโลกแง่รา้ายท่านไม่ได้ปิดกันเราถึงขนาดนั้นท่านชี้ทางออกให้เราด้วยนะโลกนี้เป็นทุกข์ทายังไงเราจะอยู่กับโลกแบบไม่ทุกข์นี่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งนี้นะสิ่งนี้วิเศษที่สุดเลยเพราะว่าในโลกนี้มันเป็นทุกข์ แล้วทาไม่ได้จบอยู่แค่ว่าโลกเป็นทุกข์เราก็ยอมจำนวนไม่มีทางออกแค่นั้นไม่เก่งจริงหรอกมือมือระดับพระพุทธเจ้านะท่านบอกวิธีที่จะอยู่กับโลกแบบไม่ทุกข์ได้ด้วยถ้าเราภาวนาถึงขีดสุดนะเราจะอยู่กับโลกแบบไม่มีความทุกข์เลยพระอราหันต์ทั้งหลายไม่มีความทุกข์เหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะจิตใจมีแต่ความโกลงโล่งเบาจิตใจเป็นอิสระ มีความสุขอยู่ด้วยตัวของตัวเองความสุขนี้ไม่ต้องยิงอาศัยคนอื่นไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขของเราที่เรารู้จักทุกวันนี้มันยิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาลองนึกดูซิใช่ไหมอย่าตอนเด็กๆ ก, ก็ยิงอาศัยพ่อแม่พ่อแม่รักเป็นลูกที่พ่อแม่รักก็มีความสุขมากหน่อยต่อมาเป็นวัยรุ่นก็อิงอาศัยเพื่อน ถ้าเพื่อนไม่ยอมรับเข้ากลุ่มนะเขกลุ่มใจเพื่อจะให้เพื่อนยอมรับเข้ากลุ่มนะทำอะไรตามเขาไปก็ได้เขาเกเรก็ตามเกเรกับเขาไปด้วยนะเพื่อจะได้เป็นพวกเดียวกันเห็นไหมเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะมาทํางานเนระาก็ต้องมีพวกท้องนะมีเพื่อนมีฝูมีอะไรถ้าเขาไม่ยอมรับเข้ากลุ่มนะเขอยู่ไม่ไหวอีกลนะํบบาบากแล้วไม่มีอิสระนะมนุษย์ น, นานอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้เลย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 ขวาทับมือซ้ายอะไรเงี้ยนะเถียงกระดิกนะว่าหัวแม่โป่งต่อกันหรือจะหัวแ ม, ม่โป่งต่อกันนิ้วชี้นะหรือมืออย่างเงี้หรืออย่างงี้นะเถียงกันไปเถียงกันมานี่ไปเถียงกันที่เปลือกนะสาระแก่นสารคือความมีสติกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกนะอย่างเรารู้ลมหายใจนะถ้าจิตไหลไปอยู่ที่หลมก็คือเพ่งนะเพ่งลมหายใจได้สมถะ รู้ท้องผ่องยกไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็ได้สมถะถามว่ามีสติไหมมีมีสติรู้กายไหมมีมีสติรู้ใจไหมมีแต่รู้แบบเพ่งเพ่งหรือรู้แบบเพ่งเพ่งกายก็นิ่งใจก็นิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วมันก็ไม่แสดงความไม่เที่ยงให้ดูหรอกมันนิ่งไปนะนิ่งสบายสบายไปมันไม่แสดงทุกข์ให้ดูนะมันนิ่งแล้วมันมีความสุขมันนิ่งไปนิ่งไปมันรู้สึกกูเก่งด้วยกูบังคับได้ กูเก่งนะกูภาวนาจิตกูนิ่งตลอดเวลาไนะาร้องแล้วเสียงค่อยดีขึ้นหน่อยนะรู้สึกไหมหลวงพ่อพูดทีเดียวใจเรากะชอกรับไหมนะให้รู้ทันนะรู้ทันกลับมาเหมือนเดิมแล้วนี่ต้องโทษการไฟฟ้านะไม่ใช่โทษการปร่าๆนี่ไฟไม่คงทีนะ่แล้วเรามาหัดนะหัดมีสติแต่ไม่ใช่เอาสติเพ่งกายเพ่งใจ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 ตัวเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบด้วยรูปกับ น, นามกายกับใจนี่เองรูปนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานามนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะกายใจไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึง่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานเรียนเพื่อให้เห็ น, นความจริงนั้นเร า, าศาสนาพุทธนะถ้าเราเข้าใจาศาสนาพุทธนะสิ่งที่ได้มาก็คือตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นถูก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 เสียงอย่างนี้ใจชอบเสียงอย่างนี้ใจเราไม่ชอบรู้ทันที่ใจไม่ใช่ฝึกให้ใจไม่มีความรู้สึกนะไม่ใช่ว่าเป็นพระราารอรหันต์จะต้องนี้เนี่ยเฉยๆทั้งวันเลยเฉยๆฝึกรับพิการฝึกทำไมเห็นไหมฝึกหนะ้าปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่กระทบอารมณ์ไป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 นะฝึกไปเรื่อยนาะวันหนึ่งจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะอัศจรรย์ที่สุดเลยนะแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยหลวงพ่อฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกสมัยที่เป็นค า, ารวะนะไม่ต้องนับตอนที่ฝึกสมถะ น, นะไปติดสมถะอยู่ย2่ปีตั้งแต่เจขวบไปเรียนกรรมฐานกับท่านพ่อลีวัลโสคารามเรียนได้ปีสองปีท่านก็มรณภาพแล้วเราไม่มีอาจารย์สอนต่อตอนนั้นเราเรียนได้แต่สมถะ ก็ได้แต่ทำใจให้นิ่งไปทุกวันก็ฝึกให้นิ่งนิ่งไปเรื่อยนะจนมาเจอหลวงปู่ดูลตอนนั้นอายุ29เก้ามาเจอหลวงปู่ดูล น, นะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันทำงานฝนะึกอยู่ในชีวิตธรรมดาในชีวิตของคารวะานี่เองตอนนั้นรับราชการอยู่นะรับราชการมีพวกเราใครเป็นราชการหรือรับวิสาหกิจมั้ตลองยกมือให้ดูซิมีไหมนะ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 กลิ่นลิ้มได้รสนะใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนพราะเราเคยมีไหมที่เราอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆก็นึกถึงใครขึ้นมาสักคนหนึ่งซึ่งแสนจะเกลียดมีบ้างไหมอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาเองนะอยากจะไม่นึกนมันยิ่งนึกบ่อยสังเกตไหมยิ่งเกลียดใครก็ยิ่งนึกถึงคนนั้นบ่อยเนี่ยมันทําให้จิตใจเราหวันไ ห, ห้ขึ้นมาเวลาเรารักใครเราก็คิดถึงคนนั้นบ่อยรู้สึกไหมเวลาเราเฉยๆเราจะไม่เคยคิดถึงะ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 ถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยววันที่ตายแล้วนะท่านพระชักบอกสุกุรจะได้ยินนะเตสังอุปสโมสุโขสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยสงบจะได้จะเป็นสุขความปรุงแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่สังขารที่นอนอยู่ในโรงนะใจเรานี่แหละปรุงแต่งทั้งวันนะถ้าเมื่อไรใจนี้ก้รราวพ้นความปรุงแต่งไปเฮ้ยพระอรหันต์นะใจจะก้าวพ้นความปรุงแต่งไปสุขท่านก็เป็นกลางนะทุกข์ไม่มี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 อว่าจะยอมรับได้นั้นก็ต้องสู้กันหนักหน่อยตามรู้ตามอยู่ของจริงในกายในใจไปโดยเฉพาะพวกเราเป็นคนในเมืองคนในเมืองเนกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองนะคือดูใจของเราเจิตใจเราแกล้งทั้งวัน เ, นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยจนวันนึงเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนะสอนเอาแค่โสดาพอนะวันนี้มากกว่า น, นี้เดี๋ยวก็ฟุ้งไปเอาไว้ได้โสดาแล้วมาเรียนต่อนะ หากเชิญใครจะถามใครฟุ้งร้านบ้างยกมือสนะิเห็นไหมใจดีพปคิดใครใครใครจะถามนะเห็นไหมใจเราส่ายสๆายส่ไปเรื่อยรัลโหลม ส, สการหลวงพ่อครับก็อยากให้หลวงพ่ อ, พอทุกแรงเลยครับทุกแรงเลยเถอะครับผมจิตมีโมหะดู อ, อกไหมดูออกครับจิตมันมืดจิต ม, มันมัว จิตมันไม่สงบดูออกไหมดูออกครับจิตมันไม่เป็นกลางดูออกไหมดูออกครับมันไม่เป็นกลางมันก็ดิน้นถ้ามันเห็นแล้วมันเป็นกลางมันก็ไม่ดิ้นนะด<อ>ูทุกอย่างนะรู้ทุกอย่างอย่างที่จิตมันเป็นแต่รู้ด้วยความเป็นกลางแอที่คิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับเออรู้สึกแล้วก็อย่าหลงนานอืมครับอย่างเพี้ยนอยู่อ่ะไปกลับไป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 ตื่นเต้นเหมือนคนอื่นทั้งทับวธรรมดาใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นเจอหลวงพ่อนะยิ่งกว่าเจอดาราอีกหรือแม่ยกเว้นมีดาราอยู่คนเดียวถ้าเจอแล้วจะตื่นเต้นมากกว่าหลวงพ่อคือไม่เคลื่อนแจ็กสันถ้าเจอตรงนี้คงวิ่งเลยนะ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 บางทีเวลาภาวนาไปรู้สึกว่ามีก้อนอยู่ตรงกลางอกอะค่ะ บ, บางทีก็ปอัดบางทีกับอัน<ผ>ั้นก็จ ง, งใจปฏิบัติถ้าเมื่อไร่เราบังคับจิตใจของตัวเองน้ำจะแน่นขึ้นมาที่กลางอกน ะ, ะถ้าไม่บังคับมันก็คลายออกแต่หัดใหม่ๆก็แน่นทุกรายก็ให้รู้ไปว่าอยากให้หายใช่เห็นมไหมนี่ใช้ได้ล้วรู้ว่าไม่เป็นกลางอยากให้หายคือมันไม่เป็นกลางนึกบินฟรีรับนมัสการหลวงพ่อครับ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 พอเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันพอใจลอยปุ๊บจะรู้ปั๊บเลยค่ะต้องทำเหตุมันต้องซ้อมอะคนตอบไปอย่าประมาทนะหนูนเวลามันเจอปัญหาเนี่ยกิเลสแรงๆยังกลับมาได้อีกนะลาบผวพ่อค่ะค่อเป็นนักเรียนซีดีค่ะปฏิบัติมา ไ, ได้ได้ประมาณปีหนึ่งค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยดูนิดนึงค่ะว่าต้อง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 อย่างตอนนี้เรารู้สึกขับข้องใจขับข้องใจขึ้นมาเราก็รู้ว่ า, e y, าี่จะภานางไงดีนี่ก็ไม่ได้นี่นะ <c oughs> ใจมีความขับข้องใจเกิดขึ้นรู้ว่าครับข้องใจแค่นี้เองรู้สึกไม้มใจสงบกว่าเมื่อกี้แล้ว <c oughs> แค่รู้ทันนะมันจะสลายตัวไปยใจมันจะรู้ใจมันตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วไม่ทราบว่าหนูควจะทํำวิหารธรรมอะไรดีครับดูไปนี่แหละกลายบ้าง ใ, าใจบ้างนะ <c oughs> ต่อไป <h idden> เห็นเวลาทําแล้วเหมือนก็เห็นกายมันกระตุก บ, บางส่วนนะครับหลวงพอ่อแล้วก็กำหนดพุดโทโธแล้วเพ่งที่หน้ผาผากเหมือนมากำหนดอยู่ที่หน้ผาผากแล้วก็อยากขอกันบ้านหลงพ่อให้นได้สมถะนะนะเราปรับวิธีภาวนานีหนึ่นงเราพุโทโธเนี่ยเราพุโทโธไม่ใช่เพื่อเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่งคําว่าพุโทโธจริงๆก็คือคําว่าจิตนั่นเองพุโทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตเรานั่นแหละ ถ้รารหัดบริกรรมพุโทโธนะพุโทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตไม่ใช่พุโทโธแล้วเพ่งให้จิตนิ่งลองกลับวิธีนี้หนะึ่งว่าคุณจะเห็นเลยพุโทโธพุโทโธนะจิตไหลแว บ, บไปแล้วเราต้องมาพุโทโธพุโทโธอีกจิตไหลอีกแวบเนี้ลับไปพอจิตไม่ขยับตัวนะเราเห็นเลยนะมันจะสงบขงมันเองของคุณทำตอนนี้มันเป็นสมถะเยอะไปนะมันจะไม่เดินปัญญามันจะนิ่ง รูสึกไหมจะนิ่งๆใช่ครับถ้านิ่งอย่างนี้นะกี่ปีก็อยู่ตรงเนี้ใช่<ด>นะครับได้แค่นั้นเราสมถามันทําได้แค่นั้นคือได้ความสงบนะนี่ความสงบอย่างเดียวไม่พอหรอกวันใดวันหนึ่งกําลังของสมถะตกไปความทุกขมันก็กลับมาอีกแตนะ่เพื่อเรามาหาัดเจริญปัญญาแทนที่เราจะพุโทโธให้จิตนิ่งเรามาพุโทโธแล้วรู้ทันจิตดิ<ๆ>พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเล่นๆอย่พุโทโธจรงิ<ๆ>งจังเขาคุ้มจรงิงจังไป ทำอะไรให้ง่ายๆ่ายกว่านี้ออกกันบ้านนะครับทําตัวให้สบายกว่านี้ แ, แข็งไปทําไมกายถึงกระเห็นกายการะตุกได้เองนะครับบางทีเพ่งมากๆก็กระตุกนะและบางทีไม่ต้องทําอะไรมันก็กระตุกออกมาเอง <c oughs> <c oughs> มันก็กระตุกกันทั้งวันนั่นแหละพุโทโธแล้วก็คอยสังเกตจิตเขาก็เองไม่ใช่พุโทโธเล่นๆเพราะจิตมันแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยรู้เอาไม่ใช่พุโทโธเราเพ่งจิตนะ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 แล้วก็ฟังสิทดีหลวงพ่อเป็นเครื่องอยู่บ้างสวดมนต์บ้างดูเอาไหมจิตมันมีแรงมากขึ้นจิตมันเริ่มมีกำลังแล้วเพราะมันมีกำลังแล้วเราไม่ไปเพ่งมันนะปล่อยให้มันทางานแล้วตามดูไปที่พอนาอยู่ดีขึ้นแล้วข<อ>ทข อ, อขอบคุณค่ ะ, ะการภาวนาต่างๆที่ทามาความภาคเพียนที่ทำมาขอถวายเป็นพุทธ บ, บูชาและอาจาริยะบูชาออโมธนานะ เราไตเติต้ลเราก็รู้แล้วอย่าลงอย่างเงี้ยอ่ะนักการศึครับปฏิบัติกับ ฟังสิดีมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วครับก็เห็นสภาวะช่วยเกณ่ไ์ไใจเราเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็เฉยๆอะไรเงี้ยใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่ได้ภาวนาให้ใจนิง่งแต่เราภานาเพื่อให้เห็นว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเราเริมเริ่มเห็นสภาวะแล้วรเราอยากขอกันบ้านเราก็เรียนเราทดูบ่อยๆนะดูจิตไปเรื่อยเราเป็นคนช่างคิดคดูจิตไปเรื่อยๆแต่ตอนไหนมั่วซั่วดูจิตไม่รู้เรื่องก็มาดูกายไว้นะดู จิตไม่ไหวดูกายไม่ไหวก็มาพุทโธอะไอย่างนี้นะก็อีกข้อเนี้ครับอยากทราบว่าสิ่งแวดล้อมครูบาอาจารย์กัญญาณิมิตมีส่วนช่วยในการมีส่วนช่วยนะคีอเอ็นซีเรายังไม่แก่กล้าที่จะไปด้วยตัวเองนะกัญญาณิมิตรอย่างครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยสาคัญค สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งถ้าเราขาดกระยาณมิตรนะเราหังครูบาจารย์เนี่ยโยนิโสมนานัสิกาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยโยนิโสมานาสิกานะคือความแยบขายในการพิจารณาในการสังเกตเป็นปัญญาชนิดหนึ่งนะเช่นเราภาวนาไปแล้วใจเราซึมซึมไปเรื่อยนะถ้าเรามีโยนิโสมนานัสิกาเราจะรู้ว่าไม่ถูกแล้ว ภาวนาแล้วทำไมใจเสื่องซึมคงที่อยู่ตลอดเวลาแทนที่จะเห็นใจรักกลายเป็นเห็นอัปลักษ์คือนิ่งๆซื่อบื้ออยู่อย่างนี้ใช่อย่างนี้ผิดละ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 ถ้าถ้ามีโยนิโสมานักสิกาเนี่ก็จะรู้ว่าไม่ถูกละเพราะไม่ตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนว่าขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่มั น, นเที่ยงไปหมดแล้วนะ งั้นถ้าเราห่างครูบาอาจารย์เนี่ยต้องใช้ความสังเกตว่าเราได้รู้กายรู้ใจจริงไหมหรือเราไปบังคับกายบังคับใจเรารู้กายรู้ใจแล้วเราเห็นให้กายให้ใจเขาทางานไปตามธรรมชาติหรือไปกดใหนิ่งใครรู้อย่างนี้บ่อยๆจะช่วยเราได้เยอะนะครับหลวงพ่ออยู่ห่างครูบาอาจารย์นะก่อนครูบาอาจารย์อยู่อีสาน่ะ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 ทำไมไม่เห็นทุกข์เห็นแต่ความสุขมันกต้องผิดนั่นแหละพพเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่ามันทุกข์นะดูจากคําสอนพระพุทธเจา้าต่อไปหลักธรสการหลวงพ่อเจ้าค่ะจิตของลูกขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะขณะนี้กดไหม่หน่อยนะมันตื่นเต้นเลยไปขมมันไว้นะสังเกตไหมใจเราเนี่ยถ้าไม่ขมไว้มันจะฟุ้งซ่าน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 ซ้าเดินจงกรมเดินรู้สึกตัวเดินจงกรมไม่ใช่แปลว่าเดินกลับไปกลับมาเดินจงกรมคือรู้สึกตัวหรือไปทํางานบ้านก็ได้กวาดบ้านถูกบ้านอะไรเงี้ยแล้วเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหันบ่อยๆใจจะมีแรงมากขึ้นของคณแรงน้อยไปค่ะคุณจะทําในรูปแบบมากขึ้นบนชีวิตใช่ใช่ใช<ๆ>แต่ถ้าทําในรูปแบบแล้วเคร่งเครียดนะไปทํางานบ้านทํางานบ้านดีนะ นี่กรรมฐานที่พิเศษมากเลยเราชอบลาเลยเราคิดว่าต้องไปเดินจงกรมกลับไปกลับมาถึงจะเรียกว่าปฏิบัติหือนพระอยู่วัดเนี่ยพระกวาดวัดพระกวาดวัดด้วยความมีสตินั่นแหละการปฏิบัติลหละอย่างนั้นยิ่งดีใหญ่เลย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 วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่มีคำว่าทำมีแต่คำว่ารู้ตามความเป็นจริงนะไม่มีคำว่าทำเราจะไม่ดัดแปลงแก้ไขได้แต่ทางสิ้นต่อไปควรจะทำในรูปแบบมากขึ้นใช่ใช่ทำงานดีที่สุดนะดีกว่าไปเดินจงกรมแบบซีเรียสถ้าเดินแล้วก็เครียดเครียดเงี้ยยิ่งแย่ใหญ่แต่บางคนก็เดินได้นะบางคนก็ไปทำงานกลัวไหม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 ตัวจริงของเราเนี่ยใจมันไม่นิ่งหรอกเนี่ยปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามดูไป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 S <S อย่าให้มันซึมก็แล้วกันนะซ <พอ S 1> ึมไปเวลาเราทำสมาธิเราน้อมใจให้ซึม อ, อย่าน้อมอกระตุ้นใจให้กระพรี่กร ấy, เะเปล่าไว้นะต่อไป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 รู้สึกว่าจะโมโหค่ะแต่พอดูอดเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นเกิดความรู้สึกว่าโมโห hmm. แต่สักพักก็อดีว่าก็เหมือนกับของอาการกิริยาเหมือนโมโหออกไปอะค่ะ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 ให้รู้ทันใจที่อยากในใจก็จะสงบแต่พีนั่งนั่งแล้วยังไงก็ไม่สงบะเออไม่ได้นั่งให้สงบสิ <c oughs> นั่งให้เห็นความจริงของกายของใจเพราะมันบังคับไม่ได้รู้สึกไหมบังคับไม่ได้สั่งให้สงบไม่ได้นั่นแหละความจริงค่ะแล้วขอเลียนถามอีกข้อหนึ่งค่ะคือว่าถ้าเกิดสวดมนต์เร็วๆค่ะ อันนี้จากพอ น, นี้เห็ น, อ น, นพอดีที่เขาสวดมนต์เร็วอะค่ะคุณแม่เขาจะทักว่าสวดมนต์เร็วเกินไปะอะหนูก็แม่ก็แม่เขาชอบสวดช้าๆพี่เขาชอบสวดเร็วๆก็แค่นั้นเองแ <laughs> ม่ค่ะคือแม่ว่าเขาสวดเร็วแล้วมันจะไม่มีสมาธิหนูไม่ทราบว่ามันจริงไหยคะคือมันจริงบางอย่างจริงบางกรณีไม่จริงบางกรณีอย่างเวลาที่ใจเราฟุ้งมากๆนะสวดเร็วๆเช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถี่ถีอย่างนี้นะ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 ต่างหากไม่ใช่เอาดีเอาดีนะ่ามักน้อยเกินไปาศาสนาพุทธน่าภาวนาแล้วจุดสุดท้ายถนะ้ามันเหนือดีเหนือชั่วแต่พูดอย่างนี้ก็เสี่ยงบางคนก็าบอกถ้า ง, งั้นทาชั่วก็ได้เพราะว่าชั่วกับดีเท่ากันถ้ามีสติจะทำชั่วไม่ได้นะคนทำชั่วได้เพราะขาดสติจำไว้นะดงนั้นเราฝึกสติเนี่ยถึงเราไม่ได้เป็นคนรักดีนะมันก็ดีโดยตัวของมันเอง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 แ้าเดินเก็เพ่งเพ่งเครียดเครียดม่เดินทำไมชีวิตธรรมดาก็เครียดจะตายอยู่แล้วพิภาวนาให้เครียดหนักกว่าเก่าก็บ้าเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรแถวนี้ใกล้ศรีทัญญาขอพระบรมหลวงพ่อค่ะกราบขออนุญาตขอโอกาสหลวงพ่อนะครับต่อไปเป็นพิธีถวายภระไตรย์นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมจิตอนุโมทนาและกล่าวคําถวายภระไตรย์และเครื่องปัจจัยทรรร่วมกันนะครับ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจย์ทั้งหลายขอน้อมถวายพระไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แตบบ่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์โปรดรับพระไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้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 สิเลสนิจจังอุทธาป จ, จายิโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพะลังสุ ภาวนานะรับพรก็รับไปตามธรรมเนียมหรอกไม่มีประโยชน์เท่าไหรหรอกนะพรอย่างพระสอนนะตอนท้ายเห็นไหมอภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจานะัจัยยิโนจักตาโรธรรมมาวันติอายุวนโนสุขังพลังคนที่เขารบผู้ใหญนะ่จะมีอายุวรนโนสุขังพลังเห็นไหมต้องมีการกระทํานะถึงจะมีผลไม่ใช่ให้หลวงพ่อให้พรแล้วอายุวนโนสุขขังพลังแล้ว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 หลวงพ่อจะได้ไป